รรมชาดกแผ่นที่แปดลำดับที่สิบแปดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่หนึ่งกันยายน2555มีชื่อเรื่องว่าเทวดาไล่พระวันนี้เป็นวันสมาทานศีลของพวกเรา เป็นวันขึ้นขึ้นวันแรวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเกตั้งแต่เข้าพรรษามาหนึ่งเดือนพอดีวันนี้เป็นวันรักษาอุโบสถเดือนหนึ่งมีอยู่สี่ครั้งเป็นวันอุโบสถสมทานศิลแต่นี้ก็เป็นศิล์ที่สี่ของพวกเราที่เข้าพรรษามาคือพวกเราตรงพ่อมั่นใจ ว่าพวกเราคงจะสมาทานศีลจะรักษาศีล ท, ทุกวันพระในพรรษาหรือว่ารักษาศีลอุโบสถทุกวันพระในพรรษาหรือจะรักษาศีลห้าทุกวันพระในพรรษาก็คงจะมีแล้วก็ผู้ที่จะสมาทานศีลตลอดไตรมาส3เดือนคือรักษาศีลห้าหรือรักษาศีลอุโบสถก็คงมีเพราะนั้นวันนี้เป็นวันอุโบสถรักษาศีลอุโบสถของพวกเราขอให้พวกเราคณะทุกท่าน ที่ได้ตั้งใจสมาทานสินแล้วนั้นอย่าให้ขาดตกปกพ่องให้สินบริสุทธิ์บริบูรณ์เมื่อเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานหลงไปแล้วอย่าให้ขาดตกปกพ่องที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่านี่คือยกหนึ่งเดือนหนึ่งเราแพ้หรือเราชนะถ้าเราชนะก็เป็นอันว่าเรารักษาสินอย่างที่เราต้องการอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ เรารักษาสินบริสุทธิ์บริบูรณ์แต่ถ้าว่าเราแพ้เหมือนกับว่าเรามีภารกิจธุรกิจหรือง ล, งล้วาหลงเลงก็เลยล่อยหลอหลุดลุ่ยไปแต่ถึงยังไงถึงจะไม่ได้รักษาตามกำหนดวันเวลาก็ขอให้พวกเราทุกท่านรักษาสินสดเชยก็ยังได้นะสมมติเออเมื่อวานเป็นวันพระแต่เราไม่ได้รักษาสินเพราะเรากิจธุระภาระกับพี่น้องพ่อแม่ มีความจำเป็นอย่างมากเราหลีกเลี่ยงหนีไม่พน้นเราต้องไปจุดนั้นก่อนแต่เอาเถอะวันนี้เมื่อภาระนั้นผ่านไปแล้วเรารักษาสินเพิ่มเติมอีกวันหนึ่งเผอิญทําไมมันยั ง, ยงลดงแถมอีกสองวันก็ยังได้ฮนี่แหละอันนี้ก็คือคุณงามความดีทั้งนั้นอ่ะทางว่าเราขาดแล้วก็ขาดไปเลยทะลุไปเลยขาดไปเล ย, เลยสินด่างพร้อยไปเลยอันนั้นไม่ดีสินขาดาเหมือนกับผ้าขาด ถ้ามันขาดแล้วก็ไม่ปะไม่ชุนมันก็เป็นรูโวอยู่อย่างนั้น่ะมันไม่น่าดูถ้าว่ามันขาดไปแล้วเมื่อเราไม่ได้รักษาสินที่มันขาดไปแล้วเราก็มันขาดไปแล้วชนนั้นเราค่ยกลับมาปะมาชุนมาอีกมาเย็บมาอีกให้มันแน่นหนามั่นคงขึ้นเออถ้าไม่จำเป็นเข้าไปเจ้าจะไม่ให้สินขาดในพรรษานี้ควรจะย้าในจิตใจของตนเองเข้าไปอีกนะ เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะจัทวาญาติโยมทุกๆท่านนะสิ่งที่จะสร้างคุณงามความดีนมันยากนะแต่ไม่ใช่มันง่ายนะมันยากแต่ถึงจะยากหรือ ง, ง่ายอย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องประพฤติปฏิบัติแต่ไปทางที่เรามันเคยไปน่ยมันง่ายเหมือนกับน้ําน่ยมันไหลลงทางต่ําน่ยมันง่ายแตพอปล่อยมันไหลลงทางต่ําเลยหล่ะแต่นี้เราพยายามคัดน้ําขึ้นบนภูเขา เราวัดคัดน้ําขึ้นตามที่ตัวเองต้องการอยากจะให้มันเป็นเพราะมันไหลลงทางต่ำนั่นแหมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่นี่เราคัดขึ้นทางสูงนะมันเกิดประโยชน์เมื่อมันเกิดประโยชน์เราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราก็ต้องพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะต้องเอาน้ําขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางให้มันเกิดประโยชน์นี่แหละถ้าหาว่ามันไม่เกิดประโยชน์เราไปทําไปทําไมเพราะะฉนั้นสิ่งนี้ก็ ฝากไว้กับพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาร่วมกันรักษาศีลนในวันนี้อตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลนะโมตัสสะภควะโตอรหะอตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนนยกรฐานและ ว, วสิงที่ควรพวกเราควรจะรับรู้รับทราบเพื่อเป็นการศึกษาให้แก่ธณาศรัทธาญาติโยมวันพระหนึ่งพวกเราจึงจะได้มาวัด หรือนานนานบางท่านก็นานนานได้มาวัดเมื่อมาถึงวัดแล้วก็ควรจะได้ยินพระสงฆ์หรือว่าครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ข้างในคืออยู่ในวัดจะได้แสดงความคิดเห็นแล้ว่าแสดงให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเป็นแนวความรู้เพื่อการศึกษาในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ วางพระพุทธศาสนาไว้กับพวกเราคือพุทธบริษัท4พุทธบริษัท4คือใครก็คือพระสงฆ์สมมเน็อุบาสกก็คือโยมผู้ชายอุปายิกาคือโยมผู้หญิงท่านวางพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัท4ี่คำว่าบริษัทบริษัททางร้านอันนี้ก็คือพวกเราเป็นพุทธบริษัทคือเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มผู้ที่อยู่ข้างในอย่างพระสงฆ์ก็ใช้ยูนิฟอร์มเรียกชุด พระสง์อย่างพวกเราเห็นชุดพระใส่ผ้าจีบอลอันนี้ก็คือเป็นผู้นําเป็นผู้อยู่เบื้องในเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นผู้อยู่ดูแลบริษัทอย่างใกล้ชิดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็อยู่ข้างนอกก็เป็นการให้การสนับสนุนบริษัทดันั้นบริษัทของเราก็คือเป็นบริษัทอบรมทางด้านจิตใจ พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านแนะนำแก่ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามธรรมคาสอนอย่างพระสงค์ในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าในเมื่อทําได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกสู่ป่าโรงพงไพ่ไปสู่ในที่สงบสงัดไปหาภาวนาในที่สงบสงัดอันนั้นคือเป็นประเพณีในครั้งพุทธกาลในครั้งนี้ก็เถอะ เมื่อได้ศึกษาธรรมะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อได้รับทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อตามที่จริงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราอย่างหลวงปู่มั่นอย่างนี้คือต้นตระกูลของพระธรรมฐานในยนุคนี้แต่ยุก่อนมีไหมหลวงพ่อมีแต่สมัยนั้นท่านไม่ได้บันทึกเอาไว้ไม่มีตัวหนังสือแต่หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นเรียนมาจากใครท่านก็มีครูบาอาจารย์ของท่านเหมือนกันแต่ที่สมัยนั้นไม่มีตัวหนังสือบันทึก เพราะท่านอยู่ในป่ารงพงไพจากนั้นเมื่อมาถึงหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นเป็นยกที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอยากองหลวงต า, าครูบาอาจารย์ุยกนี้สมัยนี้ท่านบันทึกข้อความจากท่านเลยมีตัวหนังสือขึ้นมาให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่หลวงปู่มั่นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นมีไหมมีก่ อ, อ, อนอาจารย์หลวงปู่มั่นมีไหมมีเป็นทอดๆกันมา เมื่อได้รับฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นเมื่อเราได้รับไปฟังธรรมเทศนาของท่านครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นกับบีหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เขาหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่แหวนหลวงปู่ที่พวกเรายินในที่ดังในยุคนี้สมัยนี้มีมากที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นจนลูกศิษย์ต้งตามหาบัวหลวงปู่ล่า อันนี้ก็คือเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นผลที่สุดก็เป็นรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กแต่ถ้าจะว่ารุ่นสุดท้ายก็ไม่น่าจะผิดรุ่นหลวงตามหาบัวรุ่นหลวงปู่ล่าเนี่ยพราะท่านอยู่จำพรรษาเป็นปีสุดท้ายอยู่กับองค์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นมรณาภาพปี2492จากนั้นก็ได้เมื่อได้ศึกษาแล้วก็ต่างคนก็ต่างออกไปแต่ขณะที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นก็แนะนําสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิ์ของท่านอย่างที่ท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาเมื่อท่านได้รับคําแนะนําสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ของท่านหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่านก็ออกเดินทุดงมาทางคําชี้มุกดาหารที่โยมพ่อของหลวงพ่อโยมปู่ของหลวงพ่อเคารพนับถือหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาร์ในถิ่นนั้นก็ยังมีร่องรอยวัดวาศาสนา อย่างถ้าจำปาบ้านนาคันแทอําเภอน้องสูงอย่างนี้หลวงปู่เสาก็เคยไปอยู่เป็นภูผาปา่าไม้เป็นถ้าจากนั้นจากนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็แนะนําสั่งสอนครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านก็ออกเที่ยวทุรงหาเที่ยววิเวทตามสถานที่ต่างๆเราคิดดูที่ว่าเมื่อ8090ปีให้หลังหลวงปู่มั่นเคยมาแถบนี่แหละแถบอําเภอบ้านผือแปลว่าทุกหัวไหลแห่งของภาคอีสาน ท่านมาอยู่บ้านคอนานาลายท่านก็เคยมาจําำรรษาดูสิทางเวียงจันท์ท่านก็เคยไปแล้วก็นน้าตกจุงทองอยู่ใกล้ๆเราเนี่ถ้ำหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นทําไมมาอยู่ขนาดนี้แต่ขนาดนี้ก็เกิดเมื่อไม่นานมานี่เมื่อ10บสิบกว่าปีให้หลังใครจะขึ้นอยากจะขึ้นไปอยู่ตรงเนี้เป็นหน้าผาสูงชันอีกต่างหากแต่หลวงปู่มั่นมาอยู่นี่แหละ ท่านมาส่อแสวงหาทางพ้นทุกข์มาส่อแสวงหาการประพฤติปฏิบัติส่อแสวงหาความสงบนะแล้วก็ท่านก็มาอยู่บ้านโนนสว่างนี่อีก น, ะนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานะี่ไปทุกหมู่ละแห่งเพื่อหาความสงบเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าท่านไม่ไปนะท่านไปส่อแสวงหาที่สงบตรงไหนเป็นที่สงบนะท่านก็ไป ท่านถือตามอริยประเพณีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีพระสงฆ์หมู่ใหญ่เข้ามาพระองค์ก็แนะนำพระพุทธเจ้าก็แนะนำเออพวกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของเราแล้วให้พวกท่านสะแสวงหาที่สงบนะกำจัดกิเลสภายในใจของพวกท่านพวกท่านทั้งหลายอย่าไปอยู่ในที่คลุกครีวุ่นวายถ้าไปอยู่ในที่คุกครีวุ่นวายแล้วจะหาทางออกไม่ได้ พวกท่านเป็นนั่งอยู่ในป่าดงพงไผ่นั่งอยู่ในถ้ำในที่สงบตามลําพังนั่งกันกลองไตรตรองพิจารณาทำด้วยใจของท่านพวกท่านจะมีทางออกพวกท่านจะรู้พวกท่านจะพ้นทุกในวัฏสงสารนี่แหละคืออันนี้หลวงปู่มั่นท่านก่อนแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราชาศรัทธาญาติโยมยังมีภารกิจธุรกิจยังมีบ้านเรือนมีที่พัก จะต้องรับผิดชอบในครอบครัวในกิจการงานก็อย่างน้อยก็ให้มีศีลห้านะอันนี้คือถ้าผู้ใดมีศีลห้าเนี่ยปิดอบายพะภูมิไม่ตกนรกตายไปแล้วไม่เกิดเป็นสัตว์ดิจฉันไม่เป็นเปรตเป็นไม่เป็นคนพิกลพิการหูหนวกตาบอดบ้าใบาเสียกิจถ้าผู้มีศีลห้าเนี่ยอันนี้ก็คือหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าว ในทำคําสอนก็เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะมาบอกกล่าวอีกต่อนึ่งพระท่านได้รู้ได้เห็นแล้วว่าอันนี้คือหนทางหนทางไปทางหายานะไปทางต่ําเป็นอย่างนี้ถ้าหาว่าปิดตัวนี้ซะถึงพวกเราจะมีหน้าที่การงานทําการทํางานก็ให้มีศีลและธรรมอยู่ในจิตในใจพวกเรามีศีลธรรมในจิตใน ใ, นใจแล้วอทั้งการงานเราก็ไม่ขาดตกปกพ่องทั้งศีลธรรมก็ไม่ขาดตกปกพ่องถ้าเมื่อเรา ละโลกหรือว่าจากโลกนี้ไปต้องได้จากแน่ๆนะไม่คิดว่าใครจะไม่จากไม่ใช่แต่ถ้าคิดปิดจะแล้วต้องคิดใหม่พวกเราจะต้องจากโลกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อจากไปเนะี่มันไม่สูญอันนี้ก็คือท่านได้ศึกษามาแล้วเพราะนั้นพ่อแม่ครูบอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนลูกศิษยานุศิตจังหอนอกจากนั้นให้ภาวนานะเนอะเมื่อรักษาศีลเร็จแล้วให้ภาวนาทาจิตใจให้สงบ ถ้อยู่ในบ้านในเรือนของไหวายพระสะกปรเมื่อวายพระเสร็จแลว้วก็นั่งภาวนาหนาทีสิบนาทียีสบนาทีอย่างน้อยสักห้านาทีก็ยังดีแต่ล่าวันหาโอกาสคือวันหนึ่งคือหนึ่งสชั่วโมงนั่นเราจะไม่มีเวลาขนาดนั้นเชียวเหรอทางว่าไม่มีเวลาเสเลยก็แสดงว่ากิเลสภายในใจของเราโลภโกรธหลงราคะโทสะ โ, โมหะอยู่ในจิตใจของเราเอาไปกินหมดไม่มีธรำ แทรกเข้าไปได้เลยคือคุณงามความดีไม่สามารถแทรกเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราได้เลยมีตั้งแต่กิเลสโลภโกรงราคะาโทสะโมหะตีคอบไปหมดแสดงว่าเราแพ้กิเลสแพ้กิเลสตลอดวันตลอดคืนตลอดทั้งชาติไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราได้ศึกษาทำคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราควรจะแทรกเอาคุณงามความดีเข้าไป เขามาสู่จิตใจของเราอย่างน้อยก็ไหว้พระรักษาศีลแล้วก็นั่งภาวนาภาวนาอย่างน้อยก็ห้นาทีสิบเป็นทีพุโทโธหายใจเข้าพุทให้จะอกอกโธนั่งสมาธิเหมือนพระประธานนั่งพระประธานนั่งอย่างไงเรานั่งอย่างนั้นแหละเราไปกลับไปถึงบ้านเวลาเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแรียบร้อยแล้วเราก็นั่งเนี่ยแบบพระประธานนั่งเมื่อนั่งเสร็จแล้วเราก็บริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธง่ายนะ ไม่ต้องมีคันหา่าไม่ต้องขึ้นครูขึ้นคลายอะไรทั้งหมดลนะพอนั่งขัดสมาธิเหลือบริกรรมพุทโธพุทโธแต่ว่าต้องเลือกสถานที่ไม่ใช่ว่าคนวุ่นวายอเราไปนั่งไ ม, ไม่ได้ต้องอยู่ในมุมสงบ เ, เขาหลับเขานอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาปิดวิทยุโทรทัศน์แล้วโทรศัพท์ของเราก็ปิดอกีกไม่ให้มีเสียงในช่วงนั้นมันจะรวยมันก็รวยมันจะจนมันก็จนนั่ น, นแห ล, ละเราปิดไว้ก่อนอย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกจนเกินไปปิดไว้ จากนั่น็ น, นั่งภาวนานพุทโธพุทโธพุทโธได้กำหนดแล้วยังค่อยออกมาจากสมาธิอันนี้แหละเป็นการฝึกขัดทางด้าน จ, จิตใจอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนสำหรับศรัทธาญาติโยมสำหรับฝ่ายพระสงฆ์แล้วไม่ต้องมากกว่านั้น เ, เวลากลางวันเออพอฉันยังหันเสร็จแล้นะถ้ามีโอกาสไปเดินโยกมนั่งสมาธิหามุมสงบหาที่สงบสงัดหาที่หลีเกเล้นภาวนา อันนี้คือฝ่ายพระสงฆ์ไม่ว่าในครั้งนี้ในเดืนครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดป่าเชิตะวันมหาวิหารพระพุทธองค์ก็แนะนําสั่งสอนพระสงฆ์คล้ายๆว่าท่านเป็นหมูใหญ่เพราะคนมันมากสมัยนั้นประเทศอินเดียบางทีกกลุ่มละร้อยส0งรอกลุ่มละสามสิบตีสิบห้าิบบางกลุ่มก็ใหญ่กลุ่มละห้ารอยก็มีในเมื่อพระสงฆ์เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพท่านก็คงจะเป็น เชื้อกษระสัดหรือเชื้อพราม์มีวงสาคานาญาติมากพอบวชแล้วก็มีบริวาร เ, เป็นมีมีแนวความคิดในทางแนวแถวเดียวกันคนถึงจะมีมากขนาดไหนก็เถอะนะทํามันไปคนละทิศทางแล้วก็คือมันไปด้วยกันไม่ได้หรอกอคนหนึ่งอยากจะเที่ยวคนหนึ่งจะไปภาวนาเนะมันเข้ากันกันไม่ได้แต่ทุกคนอยากจะภาวนาอยากจะเาะแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยกันมันเข้ากันได้ คนระดับไหนมันเข้ากันได้ระดับนั้นคนขี่เหล้าก็เข้ากับคุณค น, คคนคขี่เหล้าคนขี่โบกขี่เบี้ยขี่การพนันมันก็เข้ากันได้คนขี่บัตรขี่เบอร์มันก็ <bias and S 2> เข้ากันได้คนหวังอัดหวังทำมันก็เข้าไปอีกกลุ่มหึืออีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มใครกลุ่มเราอย่างหลวงปู่ล่าท่านพูดกลุ่มแมลงพึ่งกับกลุ่มแมลงพึ่งกลุ่มแมลงผู้กลุ่มแมลงวันเขียวมันก็กลุ่มของใครของเรานี่ก็เหมือนกันกลุ่มพระสงฆ์ทั้ง 500้อองคเ์เมื่อฟังทำคำสอนของพระพุทธเจา้าเสร็จเรียบร้อยก็เออปักพวกเราเข้าป่าหาภาวนาหามุมสงบจากนั้นก็เดินหาเที่ยวไกลไปตึงไกลไปตึงร้อยกว่ากิโลจากปัตตาเชิตะวันพอไปเข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนั้นก็ติดติดป่าดงป่าดงค่งว่าไพสนคำว่าไพสนคือเป็นป่าที่หนาแน่น ก็ไปบินทบาทตอนเช้าพระสงฆ์ตังหาร้อยศรัทธาญาติโยมก็แตกตื่นขึ้นมามาก็ดูเลยเอาพระคุณท่านไปยังไงมายังไงพระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้าเขาบอกเอออาตมาได้ศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วอาตมาก็จะมาหาที่สงบสงสัดภาวน า, าจามละจิตใจไม่มีอะไรศรัทธาญาติโยมเอาพระคุณท่านจะไปที่ไหนตรงนี้ก็มีอยู่นะป่าดงพวกขายินดีเพราะเป็นป่าดงใหญ่ ถ้าพระคุณท่านต้องการอยากจะภาวนาก่อนขอนิมนต์พระคุณท่านถ้าพระคุณท่านอยู่ที่นี่จำพรรษาสามเดือนพวกเราจะรักษาศีลจะให้ทานรักษาศีลด้วยพวกเราก็ยินดีจะให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมกับพระคุณท่านทั้งพระเถระผู้ใหญ่เออเห็นว่าเขามีศรัทธาพร้อมที่จะเขาคงจะได้รับความสะดวกสบายในการภาวนาของเรา เออถ้าอย่างนั้นศรัทธายาดูพาไปดูซิตรงที่ภาวนาเนะี่ยเป็นยังไงหัวหน้ากับคณะเขาก็พาออกไปไปดูเข้าไปในป่าใหญ่ป่าดงป่าภัยสนภัยสนก็จะเป็นป่าที่เหมาะแก่การภาวนาดูทําเลน้ําอะไรพร้อมพระสงฆ์เรานั้นก็เข้าไปพ่อเข้าไปพเพ่ากระจัดเจนาชนะให้ก็ต๊อบก็แต๊บให้ตามมีตามเกิดของเขานะ่ยเขากระจัด ให้เป็นที่พักของพระสงฆ์แต่นี้พระสงฆ์ท่านก็ไปภาวนาแหละท่านไภาวนาในป่าท่นี่นี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราให้ฟังเอาไว้ว่าในหลักของพระุทธศาสนาแล้วเทวดามีไหมภูมิลุขะเทวดามีไหมผีมีไหมพุดพุดง่ายๆนะผีมีไหมคือถาาว่าพวกเราเห็นว่าถ้าหากว่าเที่พวกเรามองไม่เห็นตัวพวกเราว่าผีที่ทั้งหมดแต่ตามไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ผี คล้ายๆเขบอกมันเป็นมันเป็นภูมิแต่และภูมิภูมิมะเทวดาคือพวกที่อยู่บนเอ่อสั ง, งนหินแล้ว่าโคนหินเรือว่าจอมปลวกเรือว่าทำเลที่เนินที่ดูแลที่เนินที่ที่อยู่บนดินอันนี้เร า, าภูมิเทวดาลุขะเทวดาคือพวกที่อยู่ต้นไม้อันนี้ลุขะเทวดาอากาศธาตุเทวดาอยู่ในในอากาศ และก็สวรรษชั้นจ่าตูมตุสิตายามาตวติงอันนี้มาระติสวรรษหกชั้นอันนั้นก็คือสวรรษแต่ทีพระสงฆ์ท่านเข้าไปอยู่ในป่าเทวดาภูมะเทวดาลุกขะเทวดาอยู่ในบริเวณนั้นเอออยู่ในวัดของเราหนึ่งหลวงพ่อว่าต้องมีภูมะลุกขะเทวดาเพราะนั้นท่านเข้าไปไปภาวนาในป่าพอเข้าไปแล้วเทวดา ที่เป็นลุกขะเทวดาเทวดาที่อยู่ต้นไม้เนะี่ยโอ้พระคุณท่านเป็นผู้มีศีลสมณะเป็นผู้มีศีลมาเอาพวกเราลงจากต้นไม้ทั้งหมดเพื่อแสดงความเคารพเทวดาก็ลงจากต้นไม้ลงมาก็แสดงความเคารพพระสงฆ์แต่พระสงฆ์มาเห็นนะเพราะพระสงฆ์เย็นเป็นพระปุตุชนอยู่ยังเป็นผู้ยังไม่ได้ภาวนายังไม่ได้เป็นพระราารนะอรหันต์แต่ยังเป็นพระปุตุชนอยู่ท่านก็เดินเข้าไปในป่าพอดูเข้าไปเทวดากิ น, นั่นแหะเขาก็ เขารกบกสาวไหว้พระผู้ทรงศิลป์พอต่อมาทีนี้เทวดาก็คิดว่าเ อ, อวันพุ่งนี้พระคุณท่านคงจะไปหรือมั่งแอ้พวกเราจึงค่อยขึ้นบนปร า, าสาทของพวกเราที่พักของพวกเราแต่ทีนี้พระสงฆ์ตอนเช้าก็ไปบินเทีบัสพอบินเทีวบาสก็กลับมาอีกกลับมาอีกวันพุ่งนี้ท่านคงจะไปมัง่งจัตหายา จ, จมคงจะนิ ม, มนต์ท่านให้อยู่พอทีนี้อยู่ไปอยู่ไปพระสงฆ์ไม่ไปถึงไห เทวดาแสดงว่าไม่มีสายสืบเหันธนกันแนะ่หลวงพ่อว่านะตามไม่จริงน่าไปสืบสอบไปชาวบ้านนี่พระสงฆ์เหล่านี้ไปยังไงมายังไง เ, เขาว่าอย่างไงก็น่าจะสืบสอบดูอันนี้เทวดาก็คงจะอยู่กับสถานที่เท่านั้นแหะคงจะไม่ได้ไปดูชาวบ้านเขาพูดกันอย่างไงกับพระสงฆ์ใชแต่ได้พระสงฆ์ก็มาม า, มาอยู่ที่วัดมาอยู่ที่ภัยสนอย่างที่ว่านอยู่ในป่าเนะี่พออยู่ไปนานๆเข้าทีนี้เคารพศรัทธาเลื่อมใสเนี่ย อแต่ก่อนด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใสกลับเป็นอริศัตรูใชแล้วท่านี่คล้ายๆกับไม่พอใจเอาพระสงฆ์จะมาแย่งสถานที่ของพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยมันไม่ไม่สะดวกแล้วนะทั้งฟ้าตกฝนดินเราก็ไม่ได้ขึ้นอยู่บนบ้านของเราเพราะท่านเป็นผู้เกรงขามเป็นผู้มีศินเราคนเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่สูงก็ไม่เหมาะพอานั้นพวกเราอยู่ในดินตกอยู่ในพื้นดินเอก็ไม่สะดวกสําหรับพวกเรา พอในสุดเทวดาก็ปรึกษากันเลยอีลูกขะเทวดาปรึกษากันเอเราจะให้พระสงฆ์เหล่านี้ออกไปยังไงนั่นะนะวางแผนะ น, ะนั่นเลยทีแต่พอต่อมาพระสงฆ์เหล่านั้นกับภาวนาอยู่ในป่าของใครของเรางเงียบสงบเอีบางทีเทวดาเหล่านั้นก็ได้ยินเสียงพูดพุดมพุมพ่มผอมผขึ้นมาอ่าพวกนี้ก็ได้ยินเอ๊ะเสียงอะไรพระสงฆ์ก็คิดอะไรที่นั่นว่าอยู่ในปน่าโง่กลัวอยู่แล้วใช่ไหมเพียงเป็นพระปุตุชนอยู่ใช่ไหม แต่ได้ก็ไปเห็นทางในจังกมก็เห็นผีคอขาดอยู่พินหัวขาดเอ้ามันเชื้ออะไรกันวะอ่อนคนนั้นคอยเห็นองค์นี้คอเห็นทธอเดอเห็นเห็นสิ่งแปลกแปลกในสถานที่พักของตนเองจากนั้นก็พระสงฆ์เหล่านั้นก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาคนนั่นก่อจามคนนี้ก่อไอเธอเ้อเพในโสกเลยพระสงฆ์ไม่มีความผาสุกในการเป็นอยู่จําพรรษาสามเรือนั้น พระสงฆ์ก็เลยประชุมกันโอ้อันนี้ไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่สปายะสําหรับพวกเราเสียแล้วพวกเราควรจะออกจากที่นี่นะเพราะออกพรรษาเสร็จแล้วพระสงฆ์แบบว่าไปแบบเปิดแหนบเปลนะืงั้นลักษณะอย่างนั้นอนะ่ะพระห้าร้อยตนี้นก็ไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนมาเนี่นก็กราบพระพุทธเจ้าก่อนลาไปภาวนาในเมื่อไปภาวนาแนละ้วมีอุปสรรคอย่างไรก็ไปกราบพระพุทธเจ้าอีก พระพุทธเจ้าถามว่าพระสงฆ์พวกท่านทั้งหลายไปภาวนาไปยังไงโอ้พวกข้าพระองค์ไปอยู่ใหม่ๆก็ดีรู้สึกว่าดีสถานที่สัปปายะแต่พออยู่ต่อมาสิ่งไม่พึงปาฐถนามีเกิดขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้คือทําให้พระสงฆ์ไม่ผาสุกพระเจ้าค่ะเรื่องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระพุทธองค์บอกโอ้พวกท่านทั้งหลายขาดอาวุธไปขาดอาวุธ เดี๋ยวเราจะให้อาวุธพระพุทธองค์ก็บอกออไปไปกลับไปภาวนาที่เก่านั่นแหละเนี่ยพระสง์ก็โอ้จะให้พวกข้าพระองค์ไปเหลือพวกใครๆว่ายังหวาดยังกลัวอยู่งั้นเออไปนะไปภาวนาจุดนั้นละไอ้พวกท่านจะได้กำลังจากนั้นพระสง์ก็เชื่อในพระธรรมคําสอนใช่ไหมเนีพระพุทธองค์บอกให้ไปก็ต้องไปไม่ไปได้อย่างไงพ่อครูให้ไปเนี่ยครูให้ทํำยังงก็ต้องทําเพราะศรัทธาอยู่ในใจอยู่แล้ว จากนันพระสงฆ์ก่อนพระพุทธองค์ก็ให้เรียนกรณียเมตตาสูตรแล้วก็ให้มีความตั้งใจมั่นในใจก่อนที่จะพวกท่านจะเดินไปเดินไปเนี่ยให้สวดสาธยายนี่ไปด้วยนะแล้วก็เมื่อไปถึงแล้วให้พวกท่านทั้งหลายมีความเชื่อมั่นมีความแลากล้าในตัวของท่านเองอย่าไปอ่อนแอปวกเปียดค่อยๆว่าเรามานี่เพื่ออะไร เราไม่ได้มาเพื่อสะแสวงหาทรัพย์ในดินสินในน้ําไม่ได้มาสะแสวงหาเพื่ออย่างอื่นเรามาเพื่อสะแสวงหาทางพ้นทุกข์ไม่ได้หวังอะไรทั้งหมดจะเป็นเทพเจ้าเราเทวาท่านใดก็าตามจะมาทําอะไรกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้หมู่มุ่หวังอะไรทั้งหมดข้าพเจ้าหวังความพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารถึงแดนพระนิพพานให้ตั้งใจอย่างนั้นอันนี้คือความกล้าหาและใครเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ คือซื่อสัตย์ก็คือซื่อมีความซื่อสัตย์ทั้งกายทั้งวาจาเนมีความซื่อสัตย์สุจริตในมีความซื่อตรงเป็นผู้มุ่งมั่นต่อศีลและธรรมแล้วก็พร้อมกันเป็นผู้อ่อนโยนแก้วกราดเองไม่ได้ยังอ่อนโยนอีกคืออ่อนโยนต่อศีลและธรรมในสิ่งไหนที่ถูกต้องสิ่งไหนที่เป็นธรรมเป็นผู้อ่อนโยนเป็นผู้มีเหตุมีผลอย่าไปแข็งกระด้างอย่าไปทําให้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนทหรับตัวของเรา อันนี้พระพุทธเจ้าท่านให้ให้คติธรรมสาข้อให้แกล้วกล้าให้ซื่อสัตย์และก็ให้อ่อนโยนนี่แหละเทวดาชอบนะชอบพวกเราท่านทั้งหลายเนยไปอยู่ในสถานที่ใดเนี่ยให้แกล้วกล้าให้เชื่อมั่นในอัตถิธรรมในศีลธรรมและก็พร้อมกันก็ให้ซื่อสัตย์ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอย่าไปออกนอกลู่นอกทางต่อหลักพระธรรมวินัยอย่างนั้นก็ให้อ่อนโยนต่อคู่คนให้มีเมตตาในใจขอตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนานี่อันนี้คือความอ่อนโยนในจิตใจจากนั้นพระสงฆ์กลับไปเขาวนี้เออินได้รับธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ไปปฏิบัติอยู่ในป่าทเทวดาเห็นโอเกิดความเคารพนับถือเรื่มใสศรัทธาแปกแตกต่างกว่าครั้งก่อนๆที่มาที่ไหนใครขว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลย ให้ความเคารพอย่างสุดเชื้อต่อพระสงฆ์500นั้นจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อได้รับความผาสุกคณะจัตธาราโยมเขาก็ใส่บาตรทำบุญตามอัตภาพเทวดาภูมิมลุกขะเทวดาก็ให้ความเ อ, อื้อเฟื้อเ อ, อื้ออารีแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระสงฆ์เหล่านั้นก็ตั้งใจภาวนาพอตั้งใจภาวนาจิตใจของพระสงฆ์เหล่านั้นเข้าสู่ความสงบ เมื่อสู่ความสงบท่านมองเห็นว่าร่างกายนี่เหมือนกับหม้อดินร่างกายของเราเหมือนกับภาชนะดินหม้อดินพร้อมที่จะแตกสลายในทุกเวลามองเห็นร่างกายตัวเองว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดป่าเชิตะวันมหาวิหารแสดงอิทธิฤทธิ์สองมาคล้ายๆกับเป็นแสงลำมานมา เมือนกันกบพระพุทธเจ้านั่งอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์เหล่านั้ น, นพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายร่างกายสังขารนี่มันเหมือนกับหม้อดินจริงๆพร้อมที่จะแตกได้ทุกเวลำเวลาเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทมีแต่คนที่ไม่รู้เท่านั้นเองว่าร่างกายสังขารนีเป็นของจิรังถาวรเป็นของที่จะอยู่โชกฟ้าดินสลายไม่ใช่นะภิกษุทั้งหลาย ร่างกายนี่เป็นของไม่เที่ยงนะอีกสักวันหนึ่งนะไม่วันใดก็วันหนึ่งจะต้องแตกต้องฉลายลงสูง่ดินน้ําลมไปเพราะฉะนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายให้พิจารณาเออให้ปล่อยว่าให้เอาชนะกับพยามาลพยามาลเขาบอกพยาบาลคล้าว่าม า, ะะมาตรตัวนี้คล้าวะ่าร่างกายสังขานเป็นของเราเานี่ยมารมันยึดนะให้พวกท่านทั้งหลายเอาชนะมารเออคืออย่าไปคิด ยึดมั่นถือมั่นร่างกายว่าเป็นของเราจากนั้นเมื่อพวกท่านพิจารณาดูแล้วให้ปล่อยวางเลยพอเอาชนะแล้วให้ปล่อยวางเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกต่างหากเลยในการทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ท่านแนะนําสั่งสอนพระโสงฆ์ในเมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายว่าเป็นของไม่ิรังท้าวอนแล้วให้ปล่อยวางที่ใจว่าร่างกายสังขารเนี่ยเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงจึงไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาปล่อยวางที่ใจเมื่อท่านปล่อยวางที่ใจแล้วใจของท่านจะหลุดพ้นจากอาสวะขีเละเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยะบุคคลนี่แหละคือพระพุทธเจ้าท่านเทศให้พระสงฆ์วันนั้นพระสงฆ์เหล่านั้นกับังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนั่งอยู่ต่อหน้าทั้งที่ห่างไกลกันเป็นร้อยกิโลนะพระพุทธองค์แสดงอิทธิฤทธิ์ไปโปรดพระสงฆ์พระสงฆ์เหล่านั้นก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ ในสถานที่แห่งนั้นนี่แหละท่านเรามาวิเคราะห์แล้วนํามาพิจารณาดูการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปภาวนาที่สับสนวุ่นวายบางทีเราก็ต้องหาโอกาสออภาวนาอย่างพระสงฆ์ในวัดของเราก็เหมือนกันเมื่อฉันจังหันเสร็จแล้วเราจะภาวนาที่ไหนกุฏิหลังไหนที่มันหลบหลบหลีกที่หลีกเลี่ยงอยู่ในที่สงบมุมสงบเราก็สอบแสวงหาในจุดนั้นภาวนาพวกเราท่านทางหลายก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยม เมื่อรักษาศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าเราจะมารักษาศีลจะมานั่งคุยกันจะตรอดทั้งวันไม่ใช่อันนั้นแปลว่าเพียงแต่ได้ได้แต่ศีลได้แต่ศีลเท่านั้นแต่ยังไม่ได้สมาธิเราควรจะฝึกหัดเรื่องสมาธิด้วยต้องหามุมสงบเดินจงกรมแล้วก็นั่งภาวนาดูใจคนตนเองภาวนานี่แหละอันนี้คือทำตามอริยะประเพณีเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนพระสงฆ์ พุทธบริษัทในยุคนั้นสมัยนั้นสมัยครั้งพุทธกาลเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่พวกเราได้ยินหลวงพ่อเกิเคยได้พูดให้ฟังวิธีการนั่งภาวนาทำยังไงเดินโยมกบยังไงปฏิบัติทำอย่างไรอย่างนี้แหละแต่พวกเรายังย่อหย่อในการปฏิบัติเท่านั้นเองแต่ว่าการได้ยินได้ฟังนั้นหลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราได้ยินได้ฟังเต็มที่ได้ยินไฟังจนสับสนบางครั้งแต่ยังขาดแต่ว่าการปฏิบัติเท่านั้นเองขอให้พวกเราประพฤติปฏิบัติ อย่างที่หลวงพ่อได้พูดสิ่งภายนอกมีไหมในครั้งพุทธกาลเนีพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธว่าเทวดาไม่มีกลุ่มมะลุขะเทวดาไม่มีไม่ใช่มีแต่เขาจะ อ, อยู่ตามของเขาคล้ายๆกัาอยู่ในกลุ่มของใครของเรามนุษย์ก็อยู่ในกลุ่มของมนุษย์สัตว์เทรดาชันก็อยู่ในสัตว์เจวดาชนปลาก็อยู่เป็นปลาพวกแมลงผู่แมลงพึ่งก็เป็นกลุ่มของใครของเราอันนี้มันอยู่ในโลกนี่ก็เหมือนกันนะ่ะ พวกเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรพวกมุ่งหวังแต่ความพากยาสุขและพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารแต่จะถึงยังไงจึงจะถึงแดนพริพานตามแนวแถวที่ พ, พระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุ ก, ท, กท่านนะในวันนี้เป็นวันพระหนึ่งเดือนพอดีคือครบเดือนพอดีครบดีวพอดีเดือนหนึ่งเพราะนั้นขอนึกย้อนหลังด้วยซิว่าข้าพเจ้ารักษาศีล ทำคุณงามความดีไว้พระสวดมนต์ในเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยขาดตกปกพ่องไหมตามที่ข้าพเจ้าที่ตั้งใจเอาไว้ถ้าว่ามันขาดตกกพ่องก็พยายามทำให้มากขึ้นอย่างที่หลวงพ่อพูดถ้ามันขาดวันหนึ่งเราก็ พ, พยายามทำให้อีกลักษาศีลอีกสองวันเพิ่มขึ้นอีกเอีอ่พราะมันไม่ให้มันขาดไม่ใช่วันขาดก็ขาดเลยเหมือนกับผ้าขาดไปที่ไหนก็นเห็นแต่ผ้าขาดเออ เสื้อขาดผ้าขาดมันก็ไม่ดีเป็นรูโวอยู่ยงั้นไม่ดีนะอย่าเมื่อมันขาดแล้วก็ปะชุนใะเย็บให้ดีให้เรียบร้อยนะะขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะคณะนะสัตยา ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเราใหตั้งอกตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนะี่ยพระสมทันภาวนาเห็นเห็นร่างกายเนี่เป็นเหมือนกับภาชนะดินภาชนะนี่ยคือจานดินห ม, นม่อน้ํำคู ด, ดินกระป๋องดินโอ่งน้ําดินพร้อมที่จะแตกได้ทุกเวล่าเวลา ไม่ได้บอกเวลาว่าจะแตกเดือนนั้นปีนี้มันพร้อมที่จะแตกร่างกายของเราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านพระสงฆ์เหล่านั้นท่านเห็นอนิจจังต่างกายเป็นเป็นร่างกายเหมือนกับภาชนะดินพระพุทธเจ้าก็เสืออวชายร่างกายเหมือนภาชนะดินจริงๆพระสงฆ์ทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไวน้นะเนี่แหละอันนี้คือทำความสอนของพระพุทธเจ้าเตือนพุท ธ, ธบริษัท4อย่างพวกเราท่านทั้งหลาย อาต่อนนี้ไปพระสองฆ์อนุโมทนาให้พลอด